คิดดูนะผู้ที่หากว่าถึงไตสรสารณครเนี่ยช่วเวลาแป๊บหนึง่งยังให้ผลได้เกิดในภูมิที่ดีเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเราไปเห็นคนบางคนเนี่ยเราเออนึกกรยิบในเขาถ้าหากว่าคนที่รู้เหตุรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเรื่องบุญหรือเรื่องผลของบุญเขาจะรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาทำบุญมาไม่น้อยเลยเขามีบุญนะเขาจึงได้รับความสุขขนาดนี้ ถ้าหากว่าคนรู้จักต้นเหตุจริงๆเนี่ยที่จะไม่ทำบุญเนี่ยไม่มีเป็นแน่ถ้าใครรู้ว่าความกโกรธเนี่ยเป็นเหตุให้ให้ไม่งามอ่ะนะให้น่าเกลียดเนี่ยทุกคนจะไม่กโกรธเลยถ้ารู้โทษของโทสะจริงๆจะไม่มีใครโกรธถ้าหากว่าทุกคนรู้อานิสงส์ของเมตตาทุกคนจะต้องเจริญเมตตาแต่ว่าเพราะไม่เห็นโทษของโทสะไม่เห็นคุณของเมตาก็เลยไม่เจริญนั่นแหละ การนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคก็เหมือนกันถ้าหากว่าคนที่มีความรู้ความเข้าใจและลึกนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคก็จะได้รับผลมากมายมหาศาลเราเคยได้ยินนะอัปปามาโนผูโทคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอัปปามาโนธรรมโมคุณของพระธรรมไม่มีประมาณอัปปามาโนสังโฆคุณของพระสงฆ์ไม่มีประมาณแต่ว่าคุณของสัตว์ทั้งหลายทั่วไปนี่มีประมาณสามารถนับได้ใช่ไหม ท่านคนนี้มีศีลหาฟังธรรมะมาแค่แค่นี้แค่นี้แค่นี้มันนับคุณได้เลยว่าไปทำดีมากี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งนับได้แต่อารยะคุณทั้งหลายของพระอริยเจ้าหาประมาณไม่ได้เราไปช่างอย่างโซดาบันเนี่ยคาว่าโสดาปฏิมักอันเดียวนเนี่ยนะเราเทียบไม่ติดเลยว่ามันจะขนาดไหนเราเทียบไม่ได้โอ้โหมันสูงสุดขนาดไหนเพราะบอกว่าถามว่าสมบัติของพระเจ้าจากกักรพรรดินี่ยเยอะ มีมหาสมุทรสี่แผ่นดินสีเป็นขอบเขตว่างั้นโสดาปฏิมาคเนี่ยมาผ่าออกเป็นสิบหกชิ้นสิบหส่วนสมบัติของพระเจ้าจากกักรพรรดิเนี่ยนะยังไม่ถึงหนึ่งในสิบหกนั้นเลยคิดว่า ม, มันเทียบกันไม่ติดพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ริมฝั่งสระโบกคารนีชื่อว่าคัครานครจำปาเวลาใกล้รุ่งพระองค์ทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติอันเป็นพุทธา พุทธะจิ น, นวัดเป็นอาจินของพระพุท ธ, ธเจ้าจะเจริญพระมหากรุณาที่คุณเสร็จแล้วก็แผ่ขายพยานตรวจดูสรรพสัตว์ทั้งหลายมหากรุณาสมาบาัตินั้นก็คือยังไงแผ่ไปลักษณะว่าสัตว์โลกนะเคลื่อนแล้วยกพลแล้วหรือว่าโลกสันนิวาสนะอันชาราต้อนเข้าไปถูกมรณะห้ามหันอย่างเงี้ย โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุแห่งตันหาเนี่ยพระองค์จะเจริญกรุณานี่นะคิดความคิดอันนี้มากแผลในสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ว่าสัตว์โลกเนี่ยโอ้โหถูกมรณะเนี่ยต้อไอความความชราเนี่ยต้อนเข้าไปความตายนี่มาห้ามหันแล้วก็พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุแห่งตันหาเป็นโลกที่จะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนั้นพระองค์ก็จะเจริญกรุณาพวกนี้เป็นต้น พอพระ อ, องค์ออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็ตรวจดูเหล่าสัตว์ที่เป็นเวไนยพอจะแนะนําได้พระองค์จะสงเคราะห์คนที่มีบุญนะถ้าหากว่าเราอยากจะเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปเราก็ต้องมีบุญพอสมควรนะถ้าหากว่าไม่มีบุญแล้วอะ่ะพระพุทธเจ้าก็ตรวจไม่เจอเราหรอก <c oughs> ก็บอกว่าคืนเดือนมืดคนยืนอยู่บนที่สูงใช่ไหมแล้วก็ถ้าใครไม่จุดไฟเอาไว้ยังไงก็มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน ขณะที่พระ อ, องค์ตรวจเพื่อจะสงเคราะห์นะถ้าไม่มีบุญเก่ามาเนี่ยพระ อ, องค์ตรวจไม่เจอหรอกแต่พระ อ, องค์ก็มองเห็นว่าเออมูสตาร์ดำๆอะ่ะมองเห็นแต่ตรวจบุญไม่เจอพอที่ว่าจะเอาธรรมะหมวดไหนไปสอนเขาจริงจะรู้เรื่องเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าแสดงธรรมแล้วคนชอบหมดนะบางคนเนี่ยแสดงจบเนี่ยผูกพยาบาทในพระพุทธเจ้าเลยอสอสมณะโคดมนะหาเรื่องให้เอาให้มันตายตะข่างหนึ่งให้ได้เลยอะ่ะ หว่าเสียดสีเราได้คนเดียวอนะไม่เอาเราก็ไม่เอาก็ไม่ไม่น่าจะมาตําหนิเราขนาดนี้โอ้ผูกพยาบาทเลยนะพ่อแม่นี่ฟังแล้วบรรลุเป็นพระอริยเจ้าอ่ะลูกสาวเนี่ยผูกพยาบาทในพระพุทธเจ้าพี่ ด, ดูอันมันแล้วแต่การสะสมมานะอะพระ อ, องค์ก็ตรวจดูว่าใครเนี่ยพอจะแนะนําได้พระ อ, องค์ก็ทรงเห็นว่าเวลาเย็นวันนี้เนี่ยเมื่อเรากําลังแสดงธรรมกบตัวหนึ่งถือนิมิตในเสียงเรา พระองค์แสดงธรรมนะั้นมีกบได้ยินด้วยฟังอยู่ด้วยจักตายด้วยความพยายามของผู้อื่นแล้วจักไปบังเกิดในเทวโลกมาให้มหาชนเห็นพร้อมด้วยเทพบริวารเป็นอันมากคนเป็นจํานวนมากจะได้ตรัสรู้ธรรมะในที่นั้นโอ้โหวางแผนระยะยาวใช่ไหมไ ป, ไปแสดงธรรมในเรื่องนี้ให้กบได้ฟังพอกบฟังเสร็จตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ลงมาจากสวรรค์พร้อมทั้งวิมานพระองค์ก็แสดงธรรมอีกครั้งคนด้วย เทวดาด้วยจะได้บรรลุธรรมออวางแผนได้หลายชั้นมากในะ น, นั้นพาบริวากรกบมาด้วยพาบริวารเทพประบุกบมาด้วยครั้นทรงเห็นแล้วเวลาเช้าก็ทรงนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังนครจำปาพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ทรงทําให้ภิกษุทั้งหลายหาอาหารบินทบาทได้ง่ายเสวยจพัฒกิจเสร็จแล้วก็เสด็จเข้าพระวิหาร เมื่อพี่สูทั้งหลายทำวัดปฏิบัติแล้วไปที่พักกลางวันของตนของตนก็เสด็จเข้าพระคันธกุตีทรงใช้เวลาครึ่งวันให้หมดไปโดยเสวยสุขด้วยผลสมาบัติเข้าพระลสมาบัติเนี่ยโหเลยหลายชั่วโมงเลยนะเข้าผ ล, ลจิตเข้าอารหั ต, ตผ ล, ลจิตมีไม่มีนิมิตเป็นอารมณ์อันนิมิตตอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพนิพานแหละนิพานี่ไม่มีนิมิตนะไม่มีสังขาร น, นิมิตนิพานไม่มีสรรีสัน โอ้ ย, อย่าว่านิพานไม่มีสีเลยจิตเรามีสีไหมจิตยังไม่มีสีนิพานนี่ละเอียดกว่าจิตอีกไม่รู้เท่าไหร่เมื่อเวลาเย็นนี้ถึงเวลาเย็นบริษัททั้งสีก็ประชมกันสเสด็จออกจากพระคันตกุติอันหอมตลกกุติของพระพุทธเจ้าเนี่คนนี่จะเอาเครื่องหอมเนี่ยไปอบให้หมดเลยนะีเขาจึงเรียกว่าคันทะคันท่แปลว่ากลิ่นใช่ไหมคันธารมอะ่ะกุติของพระพุทธเจ้านี่เป็นกุติที่มีกลิ่นหอมมันจะเอาดอกไม้มาอบให้ แล้วก็พระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบรรณศาลาเข้าไปในมณตบศาลาประชุมธรรมริมฝั่งสะบกกรณีด้วยพระปาฏิหาริ์ซึ่งเหมาะแก่ขณะนั้นอนนะแสดงปาฏิหาริย์อย่างไรสมควรที่จะช่วยสัตว์ให้บรรลุธรรมได้พระองค์ก็จะแสดงอย่างนั้นก่อนเสียดายเนาะบุญไม่พอแหมไม่ได้เห็นเลยทําบุญเยอะๆเดี๋ยวจะได้เห็นท่านได้ฟังธรรมของท่านก็อย่างนี้แล้วเนาะพระองค์ก็ประทับนั่งเหนือบรวรพุทธอาสนะที่ประดับไว้เปล่งพระสุรเสียง เพียงดังเสียงของพรมซึ่งประกอบไปด้วยองค์8ประการเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสีรูปร่างกายเนี่ยมีประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32มีอนุพยัญชนะ80ประการและเสียงของพระองค์เนี่ยประกอบด้วยองค์8เหมือนเสียงพรมอุปมาเนี่ยนึกไม่ถึงเลยว่าเสียงพรมเป็นยังไงเขบอกว่าบอกลักษณะมีองค์8อย่างนะหนึ่งวิสัทธ์สละสดวย แล้วก็สองมันโชเสียงไผเราะสามวินยยะชัดเจนรู้ง่ายสี่สวนิยะสนอสดห้าอาวิสารีไม่เครือไม่พราดหกพินทุเรียกว่ากลมกล่อมแล้วก็เจ็ดคำพีระเป็นเสียงที่ลึกแล้วก็นันนาไอ้นินนาทีมีกังวานนนะนะโอ้ประกอบด้วยองคปดเนี่ยนะโยมทำบุญมาไม่พอจะได้ยินหรอ เกิดฟังเสียงแหบๆไปก่อนแล้วกันแล้วเสียงของพระองค์ประกอบด้วยองค์8ดราวกับว่าพยาไกลสอนสีหะมิคราชมิวัหวัหวนบรรลือศีนาเนเหนือพื้นมโนศิลาเชนั้นทรงเริ่มแสดงธรรมด้วยพระพุทธลีลาอันหาอุปมาไมิได้ด้วยพระพุทธานุภาพอันเป็นอจินไตยอันไม่ต้องไปคิดหรอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงในลักษณะไหนคิดไม่ถูกเพราะว่าผู้ที่สั่งสมบุญมาม า, มากมายขนาดนั้นเนี่ย มันทําได้หมดแหละก็เราคิดดูนะว่าในโลกของถ้าเราดูพวกทีวีดูภา พ, พยนตร์แค่แสงสีเสียงของคนมีกิเลสธรรมดาตกแต่งในภา พ, พยนตร์นะอย่างภา พ, พยนตร์สมัยใหม่ด้วยภา พ, พยนตร์เกี่ยวกับพวกสตาร์วอลพวกอะไรพวกนี้นะโอ้โหแสงสีเสียงพวกสีสันเนี่ยออกมาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆถามว่าพระไปดูที่ไหนมาโอเวลานั่งรถทัวร์เขาเปิดให้ดูอะเลมองเห็นเลยบอกโอ้สีสันนี่ไม่ธรรมดา วันนี้ไปที่ร้านเครื่องเสียงพอดูเครื่องบันทึกเสียงเขาก็เปิดให้ดูอีกนะบอกโอ้โหกันนะแสงสีสันธรรมดาคนมีกิเลส จ, จัดมันยังได้งามขนาดนี้เลยถ้าบุญของพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนน ะ, ะขณะนั้นกบตัวหนึ่งมาแต่สระบกคารณีเออกบมาฟังธรรมด้วยจึงนอนถือเอานิมิตพระสุรเสียงด้วยธรรมะสัญญาแค่กุศลจิตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าธรรมสัญญาเขาเกิดขึ้นนะโอปนิสัยในอดีตชาติสมัยไหนมาไม่รู้ โอ้นี่เสียงธรรมนะกบรู้แค่นั้นนะแหะแต่ไม่ออกสักอย่างหรอกแต่ว่าเออนี่เสียงธรรมนะดีนะคล้ายๆข้างเขาว ง, างั้นหน่อยนะแล้วก็อยู่ท้ายบริษัทขณะนั้นลีเอ่คนเลี้ยงลูกโคคนหนึ่งก็มาอย่างที่นั้นเห็นภาษาสดากําลังแสดงธรรมและบริษัทกําลังฟังธรรมอย่างสงบเงียบส่งใจไปในเรื่องนั้นเออเด็กเลี้ยงโคนี่ก็ฟังธรรมอยู่ด้วย ทรงเอพระพุทธเจ้าก็ขี่ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงยืนถือไม้สำหรับต้อนโคไม่ทันเห็นกบก็ได้ยืนปักไม้บนหัวกบเข้ากบมีใจเลื่อมใสด้วยธรรมสัญญาทากาละตายในขณะนั้นเองแล้วก็ไปบังเกิดในวิมานทองสิบสองโยตในสวรรค์ชั้นดาวดึงโอ้โหกบนี้กุศละจิตสู้ฉัตตามานพไม่ได้ใช่ไหมฉัตตามานพเขาสามสิบโยต เพราะเขาถึงสารณาและสีเนี่ยกบแค่เลื่อมใสเลื่อมใสก็ได้ดีแล้วลดเกือบครึ่งนึงเอ้เกินครึ่งแล้วกนแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นอย่าพวกเราอย่าไปคิดว่าไกลตัวเราเนะอะไปแห่งหนึ่งเนี่ยโยมหลายแห่งนะขณะที่ฟังธรรมอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยไม่สบายแล้วก็แป๊บเดียวตายเลยก็มีในใ น, ในที่ที่จัดงานฟังธรรมหลายแห่งเนี่ยก็มีคนตายให้เห็นบ่อยไป อันอย่าไปคิดว่าโอ้โหเรื่องตายเนี่ฟังแล้วขำแล้วเกินไกลตัวแล้วเกินแหมเราจะอมตะจะอยู่อีกอยู่ อ, อีกกี่ปีเคยถามไหมนั่นแหละก็ใกล้ๆเราเนี่แหละใกล้ๆจมูกเราเนี่ยแหละลืมหายใจเข้าแค่นั้นแ่ะตายเลยอตายแล้วก็เหมือนหลับแล้วตื่นนะโห อ, อยู่ๆเนี่ยมีมารลอยลงมาเรื่อย ๆ, ๆืๆเหมือนเครื่องบินลงอ่ะนะในคิดอะไรมากแล้วก็เข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าว แล้วยืนประคองอัญเชลีนมัสมัการอยู่ด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่ด้วยบริวารหมู่ใหญ่เราบางคนเนี่ยฟังเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรอนะก็สมัยนี้เฮลิคอปเตอร์มาจอดตึงๆๆๆมาลงเนี่ยลงแหลก็ลงมากราบก็แค่นั้นเองก็สมัยนี้ก็ยังมีเลยเนาะแบบนั้นอ่ะแล้วเครื่องบินแบบใหญ่ใหญ่ใช่ไหมมันก็ยังมาลงแล้วก็ลงมาเปิดประตูรับเปิดอะไรมีคนเนี่ยเดินตามมาตั้งเยอะแยะ นี้คนทำบุญธรมธรมดาาเป็นมนุษย์ธรรมดายังมีเครื่องบินยังมีอะไรขี่แล้วคนถ้าเป็นระดับเทพอะยมมันจะไม่ได้เลยเชิญเลยเนาะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเทพประบุนั้นเพื่อจะทรงทำผลแห่งกรรมและผู้ฐานุภาพให้ประจักษ์แก่มหาชนจึงตรัสถามว่าใครรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ด้วยยศมีวันงามทำทิศทุกทิศให้สว่างสวัยกำลังว่เท้าของเรา ใครโน่มาไหว้เท้าเราเหมือนกันองค์ก็ถามไปงั้นแหละถามเพื่อที่จะให้เขาตอบไงคือผู้เทเจ้าเนี่ยที่จริงอ่ะพระ อ, องค์รู้หมดนะไม่มีอะไรที่ไม่รู้แต่ถ้าไม่ถามมันก็ไม่ได้คุยกันอ่ะนะแทพพระบุตรเมื่อจะกระทําให้แจ้งซึ่งชาติก่อนเป็นต้นของตนจึงได้ทูลพยากรณ์ด้วยคาถาเหล่านี้ว่าเมื่อชาติก่อนข้าพระ อ, องค์เป็นกบอยู่ในน้ํามีน้ําเป็นถิ่นที่หากินกําลังฟังธรรมะของพระ อ, องค์อยู่ กบฟังธรรมคนเลี้ยงโคก็ฆ่าเสียไอ้คาว่าที่จริงคนเลี้ยงโคไม่เจตนานอะถามว่าคนเลี้ยงโคเนี่ยฟังธรรมอยู่ไม่เท้าเนี่ยไปตกใส่หัวกบเนี่ยบาปไหมบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีเจตนาฆ่าขอพระองค์โปรดดูริศและยศ ด, ดูอนุภาพดูผิวพรรณวันลนะความรุ่งเรืองของความเลื่อมใส ด้วยจิตเพียงครู่เดียวของข้าพระองค์ข้าแต่ท่านพระโคดมชนเหล่าใดได้ฟังธรรมะของพระองค์ตลอดการยาวนานชนเหล่านั้นก็ถึงฐานะที่ไม่หวั่นไหวซึ่งคนไปแล้วไม่เศร้าโศกเลยใช่ั้มนั้นเทวดานี่ก็เข้าเห็นผลของกรรมชัดเจนเลยนะโอ้โคณะเรากุศลจิตเกิดชั่วระยะสั้นๆ น, นี่ก็ยังได้บุญมากมายขนาดนี้ถ้าหากว่าคนที่ฟังธรรมศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า อย่างยาวนอนยืดยาวเนี่ยสงสัยถึงฐานะที่ไม่หวั่นไหวฐานะอะไรไม่หวั่นไหวนิพพานเหรนาะนิพพานนั่นแหละเป็นธรรมะที่ไม่หวั่นไหวอสวกังวีระชังเขมังเอตัมมังคามุตตะมัง อ, ะอ่ะอสวกังวีระชังก็คือเป็นจิตที่กเกษมเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวอจิตชนิดนั้นเป็นโลกุตรจิตจึงเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวจริงๆะนะ แต่ถ้าหากว่าธรรมดาทั่วไปแม้แต่อารูปฌานก็ไม่หวั่นไหวเหมือนกันแต่ในที่นี้หมายถึงโลกุตรจิตเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่ไม่เศร้าโศกเพราะมีธรรมะที่ไม่เศร้าโศกเป็นอารมณ์ธรรมะอันนั้นก็คือพระณิธา น, นถ้าหากว่าผู้ที่สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่องยาวนานคนที่ทําธรรมะวิจัยอย่างยาวนานต่อเนื่องคนเหล่านั้นก็สัมผัสธรรมะที่ ไม่ตายแน่ใช่ไหมทำธรรมะวิจัยนะวิจัยในเรื่องอะไรก่อนชั้นต้นวิจัยในเรื่องกรรมและผลของกรรมก่อนนะชัดเจนนี่มองเห็นนี่มีกรรมไหมมีกรรมอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นกรรมมองเห็นนี่มีกรรมไหมอะไรเป็นกรรมเจตนาเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมขนาดนี้ทางตาทางตา อะไรเป็นผลของกรรมจกคูวิญญาณสามปฏิชนะสันติรณะพวกนี้เป็นผลของกรรมความใสเนี่ยนะที่เราเห็นได้เพราะตาตาเรายังดีอยู่ตานี้เป็นผลของกรรมใช่ไหมนั่นแหละตาของเราก็เป็นผลของกรรมจิตเห็นก็เป็นผลของกรรมตากับสีจิตเห็นจึงเกิดเป็นผลของกรรมนะแต่ต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้นะผลของกรรมจึงให้ผลได้ คล้ายๆกับว่าจิตเนี่ยเป็นผลของกรรมแต่จิตที่เป็นผลของกรรมนั้นต้องมีวัตถุรองรับวัตถุที่รับผลของกรรมนั้นก็คือจกักขุูวัตถุกรรมนั้นเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ผลของกรรมนี้เกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์อารมณ์ของผลของกรรมก็คือรูปารมณ์สีต่างๆะกรรมนี่นะอยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตวผลของกรรมนี้เป็นทุกขส์ เพราะฉะนั้นผู้ที่รอบรู้รู้รอบด้วยปริญญาสามในกรรมและผลของกรรมได้จะละความสำคัญหมายนะสำคัญหมายว่าตานี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงละความสำคัญหมายว่าเที่ยงได้ตานี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์จะละความสาคัญหมายว่าสุขได้ ตานี้ทั้งไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยควรไหมที่จะเห็นว่าเป็นตนไม่ควรอันผู้ที่มีความรอบรู้เรื่องนี้อย่างดีเรียกว่าเห็นอนัตตานั่นแหละเพราะตานี่เป็นอนัตตาแต่ว่าถูกปัจจัยประชุมพร้อมสิ่งเหล่านี้มีขึ้นเพราะถ้าไม่มีตัณหานนี้ไม่มีแน่นอนตาไม่มีจิตเห็นก็ไม่มีถ้าไม่มีตัณหาตัณหาในอดีตเป็นอุปนิสัยให้วิบากเหล่านี้เกิดขึ้น ตัณหาในปัจจุบันเพื่อให้เห็นแบบนี้อีกถามว่าเรายินดีที่จะเห็นต่อไปไหมถ้ายินดีในขณะเห็นขณะนี้ถือว่าผู้นั้นยินดีในการเห็นต่อไปอนะผู้ที่ยังยินดีในขณะนี้ในการเห็นขณะนี้ถือว่ายังยินดีในการเห็นต่อไปผู้ที่ยังมีการเห็นอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่ถามว่าทําให้ตาบอดใช่ไหมจะได้ไม่เห็น ถามว่าถ้าทำให้ตาบอดแล้วเป็นข้อปฏิบัติไหมอ่าข้อปฏิบัติเพื่อทำที่สุดแห่งการเห็นอยู่ที่ไหนอยู่ที่มรรคแปดไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิตัวความรู้ที่มาเรียนรู้นะอย่าลืมนะความเข้าใจตัวนั้นแหละเป็นตัวปฏิบัติตัวความรู้ตัวนั้นแหละเป็นตัวมัชฌิมาปฏิปทาอ่าวันก่อนนี้เราได้กล่าวถึงธรม ร, มธรมจักใช่ไหมธรรมจักเนี่ยมีธรรมะเด่นอยู่สามข้อหนึ่ง กามสุขลิกานุโยคสองอัตกิระมัฐานุโยคสมัชชิมาปฏิปทาการมสุขลิกานุโยคก็คือยินดีในอารมณ์การยินดีในรูปารมณ์อย่างนี้เรียกว่ากามสุขลิกานุโยกการที่เราปฏิบัติเพื่อให้มันเสียดแทงไอ้จักษุที่สุดทรมานตัวดวงตาเนี่ยนะทรมานกรรมมัชรูปอันนั้นเรียกว่า อัตตกิละมัธนุโยกแล้วมัชชิมามเป็นยังไงมัชชิมาก็คือข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดดวงตาจากคูอุทาปาธิยานกอุทาปาธิทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดวิชาทำให้เกิดแสงสว่างแสงสว่างวันนี้ทุกเออนะการเห็นทั้งหมดเนี่ยคือทุกเพราะเป็นไปตามปัจจัยประชุมพร้อมตัณหาเป็นเหตุเกิดเรียกว่าทุกขสมุทยัย ปัญญาเป็นตัวเห็นวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหนหยไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความยึดถื อ, อนะเพราะองค์ตรว่าควรแล้วหรือที่เราทั้งหลายจะตามเห็นว่านั่นเป็นของเราเพลินเลยในเรื่องนี้นั่นของเรานะเพลินเลยเป็นชื่อของตัณหานั่นเรา เ, าเป็นนั่นเราเนี่ยเนี่ยตาเนี่ยเราเนี่ยตาเราดีกว่าตาของเขานะ าเราชัดเจนกว่าเรายังหนุ่มกว่าโยมพวกกานอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นชัดกว่าอย่างเงี้ยเป็นเป็นอะไรมานะสินี่เป็นอัตาของเราเป็นทิฏฐิไม่สมควรที่จะตามเห็นแบบนี้ถามว่าสมควรเห็นยังไงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเราเห็นว่ามันเป็นอะไรก็เห็นว่ามันเป็นตาแค่นั้นแหละไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างอื่นนอกจากตาเลยอะเห็นว่าตาเป็นตา ตาเป็นกรรมชรูปเกิดจากกรรมมีปัจจัยประชุมพร้อมเห็นว่าเป็นตาไม่นะเห็นตาเป็นตาไม่แปลว่าทุกคนนี้ไม่ได้เห็นตาเป็นตาใช่ไหมเห็นเป็นตาแต่ว่ามันเห็นแบบโลภะทิฏฐิแล้วก็มานะแต่นี้เห็นจักขูเป็นจักขูเป็นความใสชนิดหนึ่งที่สามารถรับกระทบรูปารมณ์ได้ตานี้เนี่ยตัวตาเองนั้นเป็นภาษาทรูป มีรูปเป็นบริวาร54รูปอันเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารปัจจัยประชุมพร้อมนั่นแหละสรุปแล้วที่มันเกิดอย่างนั้นได้เพราะตันหาและอวิชชาตัวตาเนี่ยเป็นทุกขสัจทั้งหมดที่กล่าวในทุกขสัจอวิชชาตันหาที่เป็นปัจจัยให้ดวงตาเกิดนี่เป็นสมุทยัยสัจตาเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ตาอ่า น, นะพบใหม่ก็จะเกิดเกิดอาศัยตานั่นแหละ มันผู้ที่ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ก็คือปฏิบัติเพื่อรู้เห็นตาตามที่มันเป็นตามที่มันเป็นจริงเลยอ่ะจริงของเขาคือตัวตาประกอบด้วยรูปมีปัจจัยประชุมพร้อมเที่ยงไหมไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์อันเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถามว่าน่ากลัวไหมมีโทษไหมความจริงก็ฟังซ้ำนั่นนะฮะแ้วเราเข้าใจเนี่ยเราก็เข้าใจเราก็เคยได้ยินเนี้แต่ท่านนี่ย กล่าวซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยอนุภาคการกล่าวซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยนะมีผลนะครับมีผลมากนะครับนะเอยังไม่ได้ไปชมมันดูกะเลยว่าไปไงนะฟังทำเสร็จแล้วเงียบเลยอบอกว่าพระผู้มีพระภาคตรวจดูอุปนิสัยสมบัติของเทพบุตรและของบริษัทที่ประชุมกันอยู่แล้วทรงแสดงธรรมโดยพิสดารจบเทศนาเทพบุตรนั้นตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลศัก8400พันได้ตรัสรู้ธรรม เทพบุตรนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากทำประทักษิณทำอัญเชลีแล้วก็กลับด้วยวิมานตามเดิมนะอันนั้นท้าที่สุดวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายคมารัตนะนี้แปลว่าแก้วหรือว่าเครื่องปราบปลื้มใจพระพุทธเจ้านั้น เป็นเครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐที่สุดในบรรดารัตนะทั้งหมดใช่ไหมอย่างกินจิวิตังอิทวาหูรงังวาสเคสวาอย่างรัตนงังปณีตังนะรัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกหรือแม้กระทั่งในสวรรค์ด้วยรัตนะที่เสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีอันด้วยสัจจะนี้ขอความสวัสดีจงมีเงี้ยพระองค์นั้นเป็นรัตนะอันประเสริฐ แล้วก็ฉัดตะมานพนี่ได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็ได้กราบทูลว่าข้าพระองค์จะ ก, กระทำตามพระองค์ตรัสสอนว่าเธอจงเข้าถึงพระชินวรผู้ประเสริฐทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์เป็นสารณะเนี่ยพระองค์ทรงสอนนะว่าให้เธอเนี่ยจงเข้าถึงพระชินวรชินวรวเนี่ยก็คือชินะบวกวระชินะแปลว่าชนะวระแปลว่าประเสริฐชนะชนะอะไร พระ อ, องค์ผู้ชนะมารทั้งห้ามารทั้งห้าคือหนึ่งกิเลสมารพระ อ, องค์เนี่ยชนะได้เด็ดขาดเลยกิเลสมารสองอภิสังขารมารอสังขารคือบุญบาปสาเทวบุตรมารพยมานนั่นเองอพยมานที่เป็นเท พ, พบุตรแล้วก็ส่ขันธมารมารคือขันห้าแล้วก็สุดท้ายมัจจุมานก็คือความตาย ที่พระองค์ชนะความตายก็คือเพราะพระองค์ชนะความเกิดพอพระองค์ไม่เกิดก็ไม่ต้องตายเรอกว่าส่วนใหญ่คนใช้ชีวิตเหมือนเราไม่ตายเนาะส่วนใหญ่ไม่เคยคิดว่าเอ๊ตายนี่มันเป็นยังไงต่างคนต่างรีบต่างคนต่างเร่งจะไปถึงจุดหมายเลยรถก็ชนกันโครมตายกันเรื่อยเรื่อยแล้วก็เข่าอุบัติเหตุทุกวันเนี่ยส่วนมากเยอะจริงๆก็มาจากไหนก็มาจาก ความเร่งรีบแต่คนเหล่านั้นส่วนใหญ่เขาไม่คิดว่าเขาจะตายนะคนที่เขาเร่งรีบนะชีวิตของเขาดูเหมือนจะอมตะเลยอ่าเหมือนกตาตาไม่เป็นนั้นเขาจึงไม่ได้สนใจในเรื่องที่พึ่งเรื่องพบต่อไปเรื่องอะไรต่อไปเขามองปัญหาแค่สั้นๆมองปัญหาแคบๆแต่คนที่นับถือพระพุทธเจ้านี่ยจะมองชีวิตไม่ได้มองชีวิตแค่วันนี้วันเดียวไม่ได้มองแค่เดือนนี้เดือนเดียวไม่ได้มองแค่ปีนี้ปีเดียวไม่ได้มองชีวิตแค่ขณะนี้ขณะเดียว บางคนเนี่ยเริ่มศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะรองรับว่าอายุมา ก, มากๆขึ้นจะได้ไม่หน่อยเหนาจะได้ไม่ ว, าว้าเวบางคนเนี่ยเลยขึ้นไปก่อนนั้นอกีกตายแล้วจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีบางคนเนี่ยมองไปหลายชาติบางคนมองว่าฉันจะพคนจากควาทุกได้เพราะเพราะการศึกษาพระธรรมเพราะการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะนั้นชีวิตของศัตรูทั้งหลายนั้นมีที่พึ่งไม่เท่ากันเมื่อมีที่พึ่งไม่เหมือนกันเนี่ยคติที่ไปของศัตรูจึงแตกต่างกัน ถ้าหากว่าพวกเธอไม่ตามระลึกถึงเราทีนั้นพวกเธอเพิ่งตามระลึกถึงพระธรรมว่าถ้าทำอันข้าผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสวากขาโตพระพราหมณ์มองสันทิฏิโกว่าไงบุคคลพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยกาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปัญิโกควรน้อมเข้ามาในตนเวทิตรักโควินโยหิติก อันวินยูชนวินยูชนก็คืออุคติตันยูวิปปิตันยูและเนยะชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้อ น, นักที่จะผู้ที่จะเข้าถึงสาที่ที่โกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกธรรมะห้าเหล่านี้หมายถึงโลกุตระธรรมเท่านั้นเฉพาะโลกุตระธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าถึงโลกุตระธรรมอันนี้จะต้องเป็น วินยูบุคคลวินยูบุคคลต้องเป็นอุคติตันยูวิปัญจิตันยูและในยักบุคคลเท่านั้นถ้าสวะขาโตหมายถึงพระปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทคําว่าสวะขาโตนี่กว้างแต่ถ้าคําว่าสันทิทิโกไปจนถึงเวทีตัปโววินยูหินเนี่ยคาเหล่านี้นเฉพาะโลกุตระนั่นแหละแล้วแล้วถ้าเราบูรชนจะมีพระธรรมเราลึกถึงคุณพระธรรมเนี่ยระลึกอย่างไรเนเมื่อเราก็ยัง ไ, ไม่เคยประจักษ์สวะขาโต เราแค่สว่างนะโตได้ตรงสว่างนะโ ต, ไ, โตได้นี่นก็ไม่ธรรมดาแล้วนะ mm hmm. ขณะเดียวกันก็เป็นเป้าหมายด้วยเจ่มั้ยก็เหมือนกับการศึกษาพระธรรมก็คือศึกษาพระธรรมให้มันตลอดสาด้วยเพราะว่าธรรมะที่ที่สูงสุดที่เราต้องการจริงๆก็คือพวกสันทิฏฐิโกะตาลิโกเอหิปัสิโกนั่นแหละเพราะว่าเราต้องการที่ธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรมธรรมะเหล่านั้นเป็นไปเพื่อความไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายดันั้นสิงขณะนี้เรายังไม่ได้แต่เราก็เชื่อว่าธรรมะเหล่านั้นนี่เราจะได้สักวัน เขบอกว่าสักวันหนึ่งเราจะถึงฝั่งอย่างแน่นอนฝั่งอันนั้นก็คือฝั่งแห่งโลกุตตรธรรมเราก็เคารพในความที่เป็นของที่สูงสุดเป็นของที่ประเสริฐสุดเคารพบูชาคําสอนอันนั้นหรือว่าพระธรรมเหล่านั้นอย่างไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยิ่งคนยิ่งคนไม่เคยศึกษาเลยนี่นะครับหมดทางเลยครับที่จะมีพระธรรมในที่สุดเขาจึงเรียกว่าอันท่าปุตชลด์อันท่แปลว่ามืดหรือบอด ผู้ถูกแล้วว่าหนาชนผูก็คือคนที่ยังทําเหตุคือสร้างกรรมสร้างไม่ว่างไปเลยดังนั้นคนที่มืดบอดแล้วก็หนาด้วยกิเลสเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งอพอไม่มีที่พึ่งนั้นชีวิตของเขาจริงๆเนี่ยเขาน้าสงสารมากนะคนคนนั้นสมมุติถ้าเรามีญาติสักคนหนึ่งน ะ, ะถ้ามองว่าญาติของเราคนนี้เนี่ยถ้าเราคนนั้นศึกษาธรรมะเข้าใจนะแล้วคนนี้เป็นคนที่ห่างคําสอนที่สุดคนนั้นเราจะสงสารเขาที่สุดถึงดูเขาประสบความสําเร็จ ก, ก็ตาม อย่างนี้อาตมานั้นมีหลายคนบางคนเนี่ยทําอาชีพเกี่ยวกับประมงพอเรา ม, ามาศึกษาธรรมะอย่างนี้บอกว่าคนนี้น่าสงสารที่สุดเพราะบางคนเนี่ยที่ทําประมงนะเขาจะไปเรือเรือลากปลา ย, ย่างเงี้ยเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไปประมาณมาสัปดาห์ห น, นึ่งหรือสิบห้าวันเอาขึ้นรถทีมเกือบเป็นคันรถสิบล้อถามว่าเขาลากอยู่อย่างเงี้หยหลายปีเนี่ยมันจะใช้ปลากี่ล้านตัว โอแล้วเมื่อไหร่นักคนเหล่านี้จะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเมื่อไหร่คนเหล่านี้จะได้พ้นจากเวรพ้นจากกรรมสิ่งที่เขาทขาําก็เป็นบาปเป็นอกุศลเรานึกเห็นใจเขากันดีจะสงสารเท่านะ้นั้นคนที่ไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ที่เกาะเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าอะไรควรทําไม่ควรทําบางคนที่เราเคยรู้จักบางคนถึงกับข่มขู่พ่อข่มขูแม่ด่าพ่อด่าแม่นั้นคนเหล่านั้นนี่น่าเห็นใจบางคนถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ด้วยซ้ําไป นั้นเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระไม่เป็นสาระคนเหล่านั้นน่าเห็นใจนั้นคนที่ไม่เศึกษาพระธรรมคาสอนเนี่ยถ้าถ้าคําสอนของพระผู้มีพระภาพที่กล่าวไว้ดีแล้วเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าชีวิตข้างหน้าอาพับแน่นอนไม่ต้องกลัวพระสูตรในขุทกันนิกายอุททานเหมือกนกันครับนะท่านกล่าวว่างนี้ครับ ถ้ากล่าวธรรมะเพื่อต้องการทรัพย์ย่อมชื่อว่านําธรรมะไปทําการค้านะถ้ากล่าวธรรมะเพื่อต้องการทรัพย์ย่อมชื่อว่านําธรรมะไปทําการค้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์ในศาสนานี้ เพื่อปรารถนาเทพนิกายเหล่าใดเหล่าหนึง่งแม้บุคคลนั้นก็ชื่อว่านําธรรมะมาทําการค้าออันนี้น่าสนใจนะเนาะเพราะฉนั้นเราเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการนําธรรมะไปค้าขายเยอะเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งว่าเราทํากุศลแล้วปรารถนาเทพนิกายนะครับจะเลย ธรรมะชั้นสูงเพื่อปรารถนาไปเป็นเทพในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งก็ถือว่ายังเป็นการคาอยู่ในท่านที่บาปนี้เป็นยังไงครับขัดทุนไม่กาไรครับ <c oughs> การมองชีวิตเนี่ยเราต้องมองหลายๆระดับนะตั้งแต่ระดับธรรมดาจนถึงระดับชั้นสูงสุดอในระดับธรรมดาแล้วพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเนี่ยตัวพระธรรมเนี่ยหาค่าไม่ได้ อพระธรรมที่หาค่าไม่ได้ที่ว่าหาค่าไม่ได้เพราะเป็นพระธรรมที่เป็นไปเพื่ออมตะธรรมเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความไม่แก่ไม่ตายอาธรรมะที่ไม่แก่ไม่ตายอันนี้ที่มีคุณค่าสูงสุดขนาดนี้ถ้าหากว่าผู้ใดเอามากล่าวเพื่อแลกกระหาปะนะสแสวงหาเงินหาทองหาปัจจัยสี่โดยการเอาธรรมะเหล่านี้มากล่าวเหมือนกับเอ า, อามีในใน ชาดกเอกานิบาตชาดกมหาสุปินสูตรเหมือนกับเอาของที่มีค่าที่สุดมาแลกเปรียนเน่าอะ่ะปัจจัยสีนเนี่ยนะของที่มีค่าที่สุดหรือแก่นจันแดงมาแลกเปลียนเน่าซึ่งแก่นจันแดงเนี่ยมีค่าเป็นแสนมาแลกกับเปลียนเน่าอะ่ะเปลียนเน่าก็คือนมบูดอะ่ะนมสดกลายเป็นนมส้มนมส้มที่มันลอยเหมือนกับน้ําข้าวที่มันลอยขึ้นฟูฟูขึ้นเรียกว่าเปรียน เปรียงเน่วอะ่ะกำลังเหม็นเลยที่เขาเอาจะไปเอาไปทำเนยอ่ะนะเพราะฉ น, นแก่นจันแดงที่มีค่ามากมายมหาศาลชั้นใดก็ดีอมตะธรรมของพระผู้มีพระภาคมีค่าหาประมาณไม่ได้แล้วก็เอามาสแสวงหาพวกปัจจัยสี่อย่างนี้ก็เป็นการค้าชั้นต่ำที่สุดเลยในบรรดาธุรกิจทั้งหมดถือว่าเป็นการลงทุนที่สูงมากที่สุดแต่ก็เอากำไรน้อยที่สุด ไม่ผมก็มัดทุนยักเยินเนาะมันถึงสียังกําไรอยู่แลครับผมดูๆแล้วมันขัดทุนใช่คือที่ว่าอย่างนี้นะและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าผู้ใดศึกษาพระธรรมเพื่อปัจจัยสี่นี้พระผู้มีพระภาคทรงกล่าวว่าเป็นอลาคัททูปมาปริยัตเป็นปริยัตที่เปรียบด้วยการจับอสสารพิษที่หาง จับอสรพิษที่ที่ที่ทหางนั้นอสรพิษจะแว่งกัดถ้าจับตรงๆนะมันอาจจะกัดไม่ดีหรอกแต่ถ้าจับที่หางปุ๊บมันแว่งมาตะปบเขี้ยวแก้วที่อยู่ตรงกลางเพดานลิ้นมันจะตะปบเข้าส่วนใหญ่แล้วรอดยากถ้าหากว่ารักษาไม่ทันผู้ที่ศึกษาพระธรรมคําสอนโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะสแสวงหาปัจจัยสี่ลาบสการะชื่อเสียงในคำพี์ท่านกล่าวว่าถ้าตั้งจิตเอาไว้อย่างนั้นนะ ไปนอนซะยังจะบาปน้อยที่สุดไปนอนถ้าดีกว่าถ้าหากว่าตั้งตั้งเจตนารม์ศึกษาเพื่อเพื่อแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งผู้ใดก็ต่างถ้าหากว่าตั้งความปรารถนาว่าพระธรรมนี่เป็นพระธรรมที่ดีแล้วศึกษาแล้วให้คนมายอมรับนับถือคนกล่าวเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้ธรรมเทศนาของผู้นั้นเป็นธรรมเทศนาที่ไม่บริสุทธิ์มีครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีพระอยู่สองรูปพระรูปหนึ่งนี้ท่านท่านศึกษาพระธรรมจนเข้าใจประมาณห้าพันษาแล้วท่านก็เข้าป่าเพื่อเจริญสัมณะธรรมไม่นานท่านก็เป็นพระอรหันต์เพื่อนที่บวชมาด้วยกันอีกองค์หนึ่งท่านก็บอกว่าเออท่านนีก็ยังไม่แกะมากนะักขอศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาจนทรงพระไตรปิฎกลูกศิกษย์ลูกหาก็เยอะทีนี้ตอนหลังเนี่ยลูกศิกษย์องค์ไหนที่จะไปปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไปหาพระอรหันต์ พระอรหันต์ก็จะแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่ก็เป็นพระอรหันต์ไปด้วยเพราะไปเกี่ยวข้องกับพระอรหันต์ทีนี้พระอรหันต์รูปนี้เนี่ยสององคอ์กับเพื่อนตอนหลังเนี่ยเพื่อนก็จะไปเยี่ยมเข้าไปเยี่ยมที่ป่าไปถึงนี่ก็เล่าว่าท่านแสดงธรรมเนี่ยคาถาเดียวเทวดาเนี่ยสาธุการทั้งป่าเรียกว่าพระเอกาุทานเถระท่านท่านพูดอยู่บรงมัณฑะแค่นั้นนะ เทวดานี่อนุโมทนาสาธุกระหึ่มทั้งปาแต่พระผู้ทรงพระดวิโดกเนี่ยโหอยากจะให้เทวดานุโมทนานะเพศใหญ่เลยไม่มีเทวดานุโมทนาแม้แต่คนเดียวเพราะว่าความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนั้นไม่ได้อยู่ที่น้ําเสียงที่กล่าวออกมาเป็นคำพูดหรอกนั้นเป็นธรรมหรือเป็นธรรมอยู่ที่เจตนาเจตนาของบุคคลผู้กล่าวอันเมื่อบุคคลผู้กล่าวไม่ได้กล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจ เทวดาเขาก็อนุโมทนาไม่ลงแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ทั่วไปก็จะฟังไม่ออกเมื่อมนุษย์ทั่วไปฟังไม่ออกมองเจตนาลมไม่ถูกเห็นแต่กล่าวภัยร้อสำนวนดีสละสลวยก็เลยนึกว่าคงใช่แล้วใช่หมก็เหมือนกับนายพรานผู้เขาหย่อนเบ็ดลงไปนะเราไปเจอแต่อาหารก็เลยขมบเอาไปงนั้นการศึกษาพระธรรมคำสอนยิ่งในยุคนี้เนี่ยต้องต้องศึกษาให้ดีจริงๆเลย นั่นแหละว่าว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมเพราะส่วนใหญ่คนที่ศึกษาพระธรรมก็เราคิดว่าไปศึกษาที่ไหนนะโ อ, อ้นี่แหละแท้แล้วเสร็จแล้วก็ลงทุนลงแรงไปเต็มที่พอลงทุนลงแรงไปเต็มที่หมดเนื้อหมดตัวหมดทุกเพีงทุกอย่างะนะบางคนเนี่ยหมดทุกอย่างเลยนะตอนหลังเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่พอไม่ใช่เข้าโอหมันทำใจไม่ได้เลยเพราะตีกลับไปหมดเลย พอทำใจไม่ได้ขึ้นเนี่ยเราไม่เผื่อทางถอยเอาไว้เลยถ้าไม่เผื่อทางถอยเอาไว้นั้นอ่ะจึงเสียหายเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ศึกษาไม่ได้ศึกษาเพื่อถึงไตรสรณคมจริงๆใหม่ๆเราถือว่าเรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เลยเข้ามาศึกษาคําสอนกันศึกษาไปศึกษามาจะใกลพระพุทธเจ้าไปทุกทีทุกทีทุกทีใหม่ๆยังไม่ทันศึกษาอะไรดูจะใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากคำสองคาก็อ้างนับถือศาสนาพุทธ แต่ไปนานๆเข้าเอ๊ชักห่างไปเรื่อยๆคำสองคำอ้างอ้างใครไม่ค่อยอ้างพระผู้มีพระภาคนะอ้างคนอื่นซะส่วนใหญ่ไม่อ้างเลยว่าคำสอนเนี้ยพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่ายังไงอทําให้เห็นชัดเจนว่าเราห่างไตรสรณคมไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆและอย่างหนึ่งการที่ทําบุญแล้วก็ปรารถนาเทพนิกายก็เป็นการค้าอีกอย่างหนึ่ง ที่จริงแล้วการท่ายอย่างนี้พระองค์ทรงแสดงว่าการบําเพ็ญสมณะธรรมปราถนาเทศนิกายเป็นพรหมจรรย์ชั้นกลางถ้าหากว่ า, าการประพฤติพรหมจรรย์นะการปฏิบัติธรรมในผู้ศาสนาเพื่อปราถนาเป็นมนุษย์เรียกว่าพรหมจรรย์ชั้นต่ําที่สุดเลยถ้าหากว่าปราถนาเทศนิกายเป็นพรหมจรรย์ชั้นชั้นปานกลางนะแม้แต่พรหมโลกก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ชั้นกลาง แต่ถ้าหากว่าตั้งความปรารถนาเพื่อดับกองทุกข์เพื่อดับวัตทุกข์เพื่อดับกิเลสอย่างนี้ก็เรียกว่าพรหมจรรย์นในชั้นสูงสุดนั่นแหะอัน้นก็ขอให้ตั้งจิตเอาไว้ให้ชอบแต่ถ้าหากว่าคนที่มองว่าตัวเองเนี่ยยังไงก็ไม่พน้นจากทุกข์ในวัฏ ใ, ในชาตินี้แต่ก็ตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะศึกษาต่อไปเพราะว่าบุญกุศลที่เราทําอะนะมันก็เหมือนกับการโยนอะไรสักอย่างขึ้นไปบนท้องฟ้านั่นแหละ มันจะตกที่ไหนล่ะเราจะกำหนดทิศทางไม่ได้แต่ถ้าหากว่าคนที่ตั้งหลักไว้ถูกก็กำหนดทิศทางในการตกของก้อนดินท่อนไม้หรือลูกศรที่ยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าชั้นไหนก็ดีถ้าหากว่าผู้ที่ตั้งความปรารถนาเป็นเทพนิกายเหมือนกับเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะข้ามฟั่งได้หมดนะสมมติว่าเราจะข้ามข้ามทะเลเนี่ยซึ่งมันกว้างขวางลึกมากชั้นต้นเนี่ยน ะ, สะเสบียงทางเราน้อยอะไรเราน้อยเนี่ย จุดแรกก็คือหมายตาดูเกาะที่พึ่งกลางสมุทรไปถึงเกาะนั้นไปขอเกาะพักที่นั้นแล้วจะเดินทางต่อไปหลันการถ้าหากว่ามองปรารถนาเทพนิกายในลักษณะในลักษณะว่าเราไปเป็นเทพเพื่อที่จะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนต่อไปเพราะว่าวัดตากของเราทั้งหลายของปุถุชนไม่แน่นอนไอจะเอาทาให้ที่สุดวัตถุทุกให้นิพพานตรงนี้เลยแหมมันกดูแผว ล, ละเกินมันห่างตัวละเกิน น, นก็ตราถนาเพื่อเป็นเทพนิกายที่ใดที่หนึ่งที่ใกล้บัณฑิตใกล้ผู้มีความรู้เสร็จแล้วไปเกิดที่นั่นเพื่อที่จะฟังธรรมต่อไปแล้วจะได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้านั่นแหละถ้าหากว่าตั้งเป้าหมายอย่างนี้อันนี้ความเข้าใจของธรรมาเองไม่น่าผิดก็ผมก็เห็นด้วยครับคือไม่แต่อาจารย์ดังๆอาจารย์ที่มีชื่อท่านอธิษฐานเหมือนกัน เจนพนสาส่้นเล็านบอกว่าทำบุญทุกครั้งถนะ้าตายแล้วขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นตูศิตเพื่อที่จะศึกษาธรรมต่อไปเจนพาเพราะว่าในสวรรค์ชั้นนั้นมีมีอะไรนะครับก็มีพระพระเรียเจ้าเยอะนะและอย่างพระโพธิสัตว์ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่สวรรค์ชั้นนั้นกย็ยังไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าฟังธรรมจะต้องเคารพธรรมนะครับอยากอยากถือบุคคลสําคัญนะครับเพราะว่าเห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วนะครับพอถือบุคคลแล้วบุคคลนั้นมันเปลี่ยนแป ล, ง, ปลงไปนี่นะครับโอ้โหทําใจยากเหมือนกันนะครับเจนพานมีร้ายตัวอย่างนะครับในคัมภีร์เนี่ย<ม>พระองค์กล่าวไว้เหมือนกันถ้าหากว่าเราไปถือบุคคลเป็นประมาณมสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยถือส่วนใหญ่ผู้ที่กล่าวธรรมจะเป็นภิกษุ ถ้าหากว่าเราไปนับถือภิกษุรูปนั้นเป็นประมาณแล้วภิกษุรูปนั้นเนี่ยที่เรานับถือเนี่ยเราถือว่าท่านดีที่สุดถ้าเกิดภิกษุรูปนั้นเปลี่ยนไปแล้วเราก็จะดูหมิ่นองค์ที่เหลือไปหมดว่าขนาดดีขนาดนี้ยังเสียเลยอ่ะแล้วที่เหลือจะไปได้อะไรแต่แล้วเราก็ไปติดอยู่ที่บุคคลเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้หรืออีกนัยหนึ่งเนี่ยภิกษุที่เราไปนับถือเนี่ยเกิดเสียหายทําผิดวินัยซึ่งเราไม่เข้าใจ สงเขายกวัดกันทั้งวัดเราก็ถือว่าคณะสงฆ์เนี่ยไม่ยุติธรรมเราก็การไปดูหมิน่นดูแคลนคณะส่งไปอีกเฝีหายใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นขอให้เราศึกษาศึกษาพระธรรมเพื่อพระธรรมศึกษาพระธรรมเพื่อเข้าถึงไตสรสารณคมนั่นแหละแต่ถ้าหากว่ายอมศึกษาไปเรื่อยๆแล้วถึงไตสรสารณคมนะถึงอัตมาจะตายมาันก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้มีผลต่อพวกเราเลยจะได้ดีจะตกยากไม่ได้มีผลต่อเราท่านทั้งหลายเลยเพราะท่านทั้งหลายเป็นผู้ถึง ไตราสารณาคมคือถ้าส่วนตัวเขาจมาเองนะถ้าหากว่าได้พูดถึงเรื่องไตราสารณาคมมันเหมือนกับมีความสุขที่สุดนะบอกไม่ถูกเลยเนะี่ยจริงๆแม้แต่พูดวิปัสสนาเป็นต้นก็ไม่ถึงกับไม่มันก็มีความสุขระดับหนึ่งเหมือนกันแต่แต่เหมือนกับว่าเราชี้เขา ข, าข้ามไปแต่ถ้าได้มากล่าวถึงเรื่องของไตราสารณาคมให้เขามีที่พึ่งเป็นหลักก่อนนะว่าเขาต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักก่อนนะ เขาต้องเข้าใจสามตัวเนี่ยเสร็จแล้วเขาคิดว่าอนาคตต่อไปเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ถึงเราไม่ไม่ไ ม, ไมีไม่ได้ศึกษาร่วมกันไปตลอดก็ช่างแต่สักระยะหนึ่งยังไงเขาก็จะเกาะไตรสาระคมต่อไปเรื่อยๆและสารณคมเนี่ยจะไม่มีเสียพระพุทธเจ้าไม่มีเสียพระธรรมไม่มีเสียและพระสงฆ์ไม่มีเสียแต่ภิกษุบุคคลเนี่ยยภิกษุกับสงฆ์เนี่ยต่างกันนะภิกษุบุคคล น, นั้นไม่แน่นอน แต่ถ้าหากว่าเราถึงไตรสรณคมจริงๆแล้วประโยชน์เราเนี่ยจะไม่เสียเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาประโยชน์ของเราไปแขวนไว้กับที่ใดที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่สรณะที่จริงที่แท้มีคนไปถึงพระอาหารหันต์หลายองค์เช่นพระราชาองค์หนึ่งไปถึงพระเจ้าอ่าพระมหากัจจายนะว่าขอให้พระมหากัจจยนะเป็นสรณะพระมหากัจจยนะแนะนาว่าขอให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเถิด ขณะท่านเป็นพระอรหันแล้วท่านยังไม่น้อมเข้ามาหาท่านเอถึงอาตมานะท่านยังไม่กล่าวอย่างนั้นเลยท่านดึงบุคคลเหล่านั้นให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราจะค่อยๆศึกษาไปว่าพระสงฆ์เนี่ยคือใครจริงๆเราก็พอรู้กันแล้วแต่ทีนี้เพื่อความชัดเจนในในพระธรรมมากขึ้นเราก็เอาพระสูตรมากล่าว หมดเลยครับท่านเจาอะไรมาแสดงครับ